อาัรรจบเมื่อกี้เราทำกลมัสสูตรแล้วก็มงคลสูตรตานมองไม่เห็นจริงๆมันเบลอมันมันพลาแล้วก็หูก็ไม่ได้ยินเมื่อกี้าบอกนาอะไรก็ไม่ได้ยินมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้นะแล้วก็แว่นตาก็ไม่ชอบใส่แว่นตามีแต่ก็ไม่ไม่เคยชอบใส่ จะให้เป็นธรรมชาติแล้วก็มันสอนตัวเองอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอยู่บ้างหมอแผนใหม่ก็ก็กจเจ้าตัวไปรักษาอย่างเคียนวันเนี้ยจะต้องเอาไปก็บอกเขาเตรียมหมอ1มื0หนึ่งของประเทศไทยทุกสาขาวิชาที่จุลานะหมอ1มื0หนึ่งทั้งหมดตัวประเทศแล้วก็บางคนก็มาจากสหรัฐอเมริกาก็จะมาดูทุกระบบให้ ก็ต่อรองกับเขาบอกว่าเลื่อนไปอีกสามเดือนเพราะว่าช่วงนี้แพทย์ทางเลือกก็ดูแลอยู่วันอาทิตย์หน้าจะล้างสารพิษยงนีนะ้อันนี้ไม่ได้คิดเอาเองแต่เพียงแค่ว่ามันมีการเกี่ยวข้องแบบนั้นเนะข้ามาดูก็ให้มันเป็นไปตามเหตุการณ์ของปัจจุบันขณะนะแล้วแต่เหตุปัจจัยเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า อาการที่มันเกิดขึ้นกับกายนะมันเป็นครูตัวเองมองตัวเองอย่างนั้นนะมันเป็นครูสอนเราการแก่การเจ็บการตายเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรอกในความรู้สึก ข, ของตัวเองนะถึงวันนี้นะมันมองอย่างนั้นเมื่อก่อนก็กลัวอยู่หรอกต้องประกัน a อไไปโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามันมีความปลอดภัยสูง ทังทรัพย์สินแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตครอบครัวสังคมอะไรก็ตามเราแวดระวังจนเกิดความวิตกความกังวลมากมายแต่เดือนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นวิธีคิดอีกแบบนึงวิธีเกี่ยวข้องกับตัวเองอีกแบบนึ่งนะเพราะว่าในคําสอนนะเขาบอกไว้ชัดนะดูกายดูเวนาดูจิตดูธรรมนะภาวะผู้ดูคือตาในตาในตาสติตาปัญญามันก็มีการเกี่ยวข้องอยู่ว่าเกี๋ยว เกี่ยวข้องโดยไม่ขนกวเกี่ยวข้องโดยไม่ใช่พาตัวเองทุรนทุรายวิตกกังวลไปนั่งคอยคิวยาวตีสี่ีห้าโรงพยาบาลดังๆทั้ ง, ง, งหลายทั้งปวงเราก็เห็นอย่างนั้นบางทีก็กังวลจนเกินเหตุมันอันตรายสุขภาพจิตของเราเสียหมดก็นี่เลยกลายเป็นว่าข้างในงเรามันมีความสุขดีอย่างเงี้ยมันก็พร้อมอยู่ กระทุกทุกสภาไว้ตรงมันก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องของกายทุกของกายกายก็รับผิดชอบไปอย่างงี้แต่เรื่องของจิตตรงนี้เราดูแลตัวเราเองได้แน่นอนจิตเนี่ยเราดูแลได้เราถึงมาฝึกจิตกันไงส่วนกายเนี่ยฝึกมันยากมากดีขนาดไหนมันก็หมดอายุไขมันไปเสื่อมไปสภาพโรคชรลาโรคาภัยต่างๆเพราะว่าร่างกายก็กำลังเป็นก้อนทุกอยู่แล้ว มีหมอมีพยาบาลมาดูแลกันนะั่นแหละแต่ท้ายสุดจะดูแลดีขนาดไหนก็ตายเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ในหมู่บ้านก็มีคนตายหนึ่งคนใช่ไหมศพของยามาเผาที่วัดเนี้วันสองวันนี้นพระหายหายกันแลไปสวดมนต์อยู่ที่นั่นเผาวันนี้ใช่ไหมอายุเท่าไห ร, ร่ไปแล้วแปดสิบสามแปดสิบสามตายซะแล้ว แม่ใหญ่คำใช่ไหมห บ, หหบักย่อยเด็ขี้ขโมยเด็แมนบอเออที่พูดถึงบักย่อยขี้ขโมยกนะ็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วทีนี้ว่าทีนี้ว่าอ่าฟังทรรมนะต่ออันนี้กาลังพูดท ร, รมตยโยงไปโยงมาที่โยงไปโยงมาเพราะว่าบางคนน่พูดข้างในน่นั่งหลับอย่างเดียวเลย ก็เลยโยงไปข้างนอกให้เข้าใจแล้วก็มาดูข e ้างในข้างนอกแล้วมาดูข้างในการคุยข e. ้างนอกไม่ใช่หมายถึงว่าเผลอแล้วก็หลงนะแต่รู้ว่าการพูดข้างในอย่างเดียวนะผู้ใหม่โดยเฉพาะพยาบาลที่เพิ่งมากันนะงงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็นั่งหลับสภาว่าก็ไม่รู้แล้วก็เบื่อเข็ดไปหลายท้ายสุดก็ไม่อยากมาวัดก็เลยโยงว่าโลกเป็นอย่างนี้นะแล้วทํามันเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้ทํรอย่างนี้โดยยกตัวอย่างร่างกายอย่างเงี้ยเป็นต้น แล้วก็พูดแต่จะเป็นล่องกับมันแล้วก็พูดไปถึงคนตายซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงๆนะไม่ได้โกหกนะอย่างอ้างว่าไตปีดกเนะี่ยมันสองพันกว่าปีเราเชื่อจากตำราเมื่อกี้ก็บอกว่าอย่าเชื่อในตำราแล้วเราจะเชื่อไหมมีคนตายอยู่ในหมู่บ้านนะถ้าพูดอย่างนี้เชื่อไหมมีจริงๆไหมเนี่ยพระก็ยืนยันว่ามีจริงๆถ้าเรายังไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้ไปดูศพด้วยกันตอนเผาไปดูด้วยกันเลยแล้วคืนนี้ก็ไปดูอีกรอบหนึ่ง ดูคนตายแล้วโดนเผาเป็นยังไงแล้วที่นี่เผาไม่มีเมนได้นะประเภทที่ว่าหรูหรามันกันในเมืองอะแต่เผาโดยที่ว่าใช้วางกระดินเลยเอาไม้กองก็แล้วก็เผาเล ย, ยกระดูกโป๊ะป ะ, ปะแตกสมองไหลเหมือนดูหมูย่างเกาหลีอย่างเงี้ยหมูหันอย่างเงี้ยให้ไปดูของจริงที่พูดนี่ก็พูดของจริงนั่นแหละ ว่าตามันมัวมันก็มัวจริงๆนะหูมันอื้อมันก็อื้อจริงๆอ่ะเราก็เห็นเราอยู่ฉะนั้นพูดของจริงไม่ได้พูดของปลอมให้ฟังไว้กรนีว่าร่างกายมันเป็นก้อนทุกข์กรณิสภาวะของสติที่มันตื่นรู้อยู่เนี่ยจติมเป็นนามธรรมไงมันยากมากที่เราจะทําความเข้าใจมันจึงต้องมารู้สึกตัวการที่เรารู้สึกตัวเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าสติสามัญญา รู้ก็คืออาการของสตินะ่ะรสึกก็คือสัมผัสไงกายสัมผัสนสัมผัสตรงไหน ก, ก็ตัวกายนี่ไงส่วนตัวจิตนําสัมผัสนเป็นนามธรรมละเอียดมากนะมันละเอียดมา ก, มมากทีนี้มันจะละเอียดยังไงมันจะละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่พ้นหรอกนะที่สติตาในนะหรือวความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะพาไปให้เราได้พบได้เจอนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงเนี่ยใช้เวลาหลายวัน หงวันสองวั น, ส, วนสามวันกี่วันกี่วันก็ตามเถอนะพระเจ้าค้นหามาหกปีกันนี้การบอกกล่าวเนี่ยองสมเด็จสมามาเจ้าบอกชี้นำเอาไวน้นะอย่างการละมัสูตรเนี่ยบอกไว้ชัดเลยเมื่อไหรเราเห็นกุศลธรรมอกุศลแธรรมก็เรียกว่าเห็นธรรมนะที่เรกาก็เห็นธรรมเห็นธรรมธรรมะคือธรรมชาตินะะมีกุศลมีอกุศลอยู่เมื่อเราเห็นเราก็าใจก็อยู่เหนือมันก็คือสัจจะความจริง น, นั่นเองเห็นเป็นพระไตลัก ถ้าไตรักหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหมดเลยอะไรก็ตามในโลกใบนี้ยตกอยู่ภายกฎของไตรักษหมดเลยคุณจะมีอะไรดีขนาดไหนท้ายสุดมันก็ต้องจากคุณไปทั้งหมดนั่นแหะคุณไม่จากมันมันก็จากคุณเรามาจากเขาเขาก็จากเราอย่างเนี้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามอะมองไปส่องแคล้์เข้าไปในพระไตรักษณได้หมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันจึงมีคําว่าไม่แน่ไม่แน่อะไรมันก็ไม่แน่อย่างนั้นนะไอ้ที่ว่าแน่มันก็ไม่แน่ที่ว่าไม่แน่มันก็แน่นมันของจริงนะตัวเนี้เพราะฉะนั้นจึงเริ่มที่นะการเคลื่อนการไหวเราก็เห็นแล้วเออการเคลื่อนการไหวบ่อยก็มีการเกิดดับจริงๆเนี่ยจังหวะหนึ่งก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันแก้ทุกข์ก็มันทั้งวนันเพราะการเคลื่อนไหวคือตัวทุกข์ของกายทั้งวันมีแต่การแก้ไขน ความทุกข์เกิดขึ้นมันจึงมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มาซ้อมดูมันการเคลื่อนการไหวนะรูปแบบสุทธิว่าเดินยังไงคือการซ้อมดูมันจำลองมาดูแต่มันก็เป็นของจริงแต่ถ้าดูไม่เป็นก็งงอยู่ดียวดูอะไรดูช้างทั้งตัวบางคนก็ดูหางบางคนก็ดูงาบางคนก็ดูขาบางคนก็ดูหู่เงี้ยครนีเรารีบสรุปมันก็ยังไม่ถูกก็ต้องดูไป วันทั้งวันเนี่ยเราก็มานั่งดูเห็นอาการหลายๆอย่างที่ก็ง่วงที่ก็ฟุง้งบางทีก็ปวดที่ก็เมื่อยบางทีก็เบื่อบางทีก็โล่งปล่งขึ้นมามีความสูงที่ก็เบาขึ้นมามันคืออาการของอะไรนะก็คือธรรมชาตินั่นเองนะคือธรรมชาติแต่ว่าที่สุดของธรรมชาติมันมีนะก็คือเราไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวกู้ไนงะ พระปกติมันหลงเผลอเข้าไปแล้วก็กูทั้งนั้นเลยลูกกูปัวกูงานกูนะนี่พอกูแม่กูแฟนกูเงินกูเสื้อผ้าของกูรองเท้าของกูมีตรกูเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นวัดก็เป็นวัดกูอย่างเงี้ยมันยึดหมดเลยแต่ท้ายสุดอะมันไม่ใช่ที่ว่าแฟนกูอา้าวลาไปหาคนอื่นอีกแล้วที่ว่าพอกูอา้าวไม่ตายจากกันแล้ะทําไมว่าแม่กูอา้าวบางทีทําไมอยู่แล้วลเกิดการแปลกแยกขึ้นมา คุยกัปรู้เรื่องสารพัดสารพันธ์นีเราก็จึงหันมาดูนะบางคนก็บอกว่ากายกูความคิดของกูแต่ท้ายสุดก็ทะเลาะ ก, กับตัวเองก็มีไม่ทะเลาะตัวเองก็ทะเลาะคนอื่นก็มีอย่างเงี้ยตกลงมันคืออะไรกันแน่มันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะเราก็เลยมาวัดวาลามาอยู่กันอย่างนี้ให้ได้ยินได้ฟังได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติกันไปนะเปรียบเหมือนกับว่า นกแขกเต้ารนะู้จักนกแขกเต้าไหมมันเป็นพี่น้องกันนะนกแขกเต้านะทีนี้ลมพัดแรงมากมันก็บินไปเปีกไม่แข็งแรงนะก็ไปตกลงไปตามลมคนละทิศคนละทางกันเลยอีกตัวหนึ่งไปตกอยู่หลังโจรอีกตัวหนึ่งไปตกอยู่น่นฤาษี สตัวนี้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากแม่คนเดียวกันพ่อคนเดียวกันการคิดการพูดการทำกรเรียนแบบสังคมรอบตัว <ober> ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะอีกตัวเรียนแบบโจรอีกตัวกระเรียนแบบฤาษีวันหนึ่งพระราชาออกไปล่าสัตว์เจอกวางทองก็สั่งทหารล้อมทหารก็เลยล้อมกวาง พระราชาก็มีคําสั่งบอกว่าถ้าหากว่าควางออกไปทางใครจับตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรควางทองตัวนี้ทหารก็เลยระมัดระวังควางก็เลยออกทางพระราชาพระราชาไม่ทันระวังพูดไปแล้วถูกจับตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรมันมาทางเราอะก็สะดุ้งเลยนะแต่ด้วยความมีไหวพริบที่ผ่านมีปัญญาก็เลยบอกทหารตามไป ใครจับได้จะโปรนันเน็ตให้อย่างงามได้ทองคาได้เลื่อนตาแหนง่งอยากได้อะไรก็จะปรเน็ตให้เลยละ่ะทหารก็หูผึ่งเลยกันเนี่ยวิ่งไล่กวางทิ้งพระราชาให้หลงในป่าอยู่คนเดียวพระราชาก็เลยเฮ้ยกลัวก็กลัวเหงาก็าาเหงาว้าเวก็ว้าเบสับสนหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยกระเจิงกระเจิงไปเห็นว่าเออตรงนี้พอจะมีร่องรอยเหมือนก็มีคนอยู่ ก็เลยเดินเข้าไปในถ้าเสียงดังมาเลยฆ่ามันฆ่ามันจับมันมัดเอาไว้ตัดหัวสะดุง้งเอ๊ะเราเป็นศัตรูกขามันตั้งแต่เมื่อไหรนะ่เพิ่งเข้ามาป่าเป็นครั้งแรกนะโอ้ทาไมพูดอย่างนี้กันก็วิ่งด้วยความหวาดความกลัวก็ะเซาอกระเซิงไปอีกฝากหนึ่งเหนื่อยก็เหนื่อยกลัวก็กลัวหิวก็หิว มืดก็มืดสับสนที่สุดเลยในชีวิตเนี่ยพอใส่ตามันชินกับแสงก็มองไปก็เออตรงนี้มันมีร่องรอยเหมือนก็มีคนอยู่อีกเหมือนกันก็เลยเดินก็ไประมัดระวังก็มีเสียงพอที่ยินเสียงสะดุ้งเลยนะแต่พอตั้งใจฟังเสียงนั้นบอกว่า เข้ามาเธอที่นี่ปลอดภัยเหนื่อยนักก็พักสักนิดนึง่งอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารให้อิ่มนอนหลับพักผ่อนตื่นมาสดชื่นแล้วก็เดินทางต่อไปโอ้ฟังแล้วมันอบอุ่นฟังแล้วมันรู้สึกปลอดภัยฟังแล้วมันรู้สึกว่าชีวิตตรงนี้มันอยู่ได้เลยฮะเป็นมิตรกัน ไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราวิ่งมานะโอ้โหมันมันหวาดกลัวสุดๆเนะี่ยน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยทั้งๆ ท, งที่เป็นพระราชาก็เลยมองหาเสียงนะไว้ใครนะพูดตัวตัวอยู่ตรงไหนฤาษีก็ออกมาบอกว่ามองหานกแขกเต้าอยู่ใช่ไหมนี่ถ้าทางตื่นมาเลยคงจะวิ่งหนีไอ้เจ้าน้องตัวที่อยู่กํลาลังจรนเนี่ย นี่พี่มันมาตกอยู่ที่รังของฤลืสีเนะี่ยมาอยู่กับเลืสีเนะี่ยมันก็พูดแบบฤลืสีนั่นแหละไอ้ที่อยู่กับโจรก็พูดแบบโจร น, นันะ่นแหละอันนี้กําลังพูดถึงว่าการที่เรามารู้สึกตัวเนะี่ยอันนี้นเป็นวิชาพระนะวิชาพระฝึกเราให้จิตมันเกิดความเป็นพรหมจรรย์ขึ้นมามันจะคิดดีพูดดีทดําดีแต่เวาลาไปอยู่กับแหวนคิดเนะี่ยมันเหมือนอยู่กําลังโจร คิดแล้วโกรธคิดแล้วโลภคิดแล้วหลงคิดแล้วรักคิดแล้วชังมันเป็นอันดาพานนะแต่พอมันอยู่กับความรู้สึกตัวมเป็นนิพานนะนะมันคนละตัวกันเลยลเราก็เฮ้ยเวลาอยู่กับความรู้สึกตัวมจิมปกตินี่นะแต่แต่การที่เรามีจริตนิสัยนะมีอุปนิสัยแล้วก็สันดานมาอันนี้แหละที่มันฉุดเราไม่ให้เราลดยกมือสร้างยังหัวเคยเป็นคนยังไงมาล่ะ เป็นคนแบบไหนมานมันก็จะไปตาม น, นั่นแหละจะเป็นคนโถาศจริตโถาศจริตก็จะช้าไปโมหายจริตโมหายจริตก็จะล่อเป็นหลุมพราไมักลับดักลงไปยกมือไม่ได้หรอกนะประเภทนี้เราก็จึงมาดูตัวเองกันมาดูวันแล้ววันเล่าเนี่ยต่ละกะาต่ละกณ ะ, ะอย่างเช้านี้เราตื่นมาเนี่ยเราก็ดูเอากายเป็นเป็นวัดเลย อจิตใจเป็นพระใจมีสติอยู่กับกายมันเป็นพระอยู่กับวัดไม่ใช่หมายถึงว่ามาวัดป่าสุกโตอย่างนี้ไม่ใช่แต่การที่มาเนี่ยได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะเป็นเชื้อหน่อยหนึ่งอ๋อมันมีคําพูดแบบนี้อยู่ด้วยอย่างนี้แล้วก็ทดลองดูงเราไปทำด้วยฉันแทามีความขยนันวิริยะลงไปสร้างความต่อเนื่องให้เป็นลูกโซ่ทีเดียวตัวรู้สึกตัวเนี่ย วันทั้งวันรู้เป็นปลอรู้เป็นปลอรู้เป็นปลออันนี้นเป็นเทคนิคนะเทคนิคกุศโลบายแบบแนวหลวงปู่เทียนจิตตุโพหรือวิธีการไหนๆก็ตามจะทําอะไรก็ทําให้มันต่อเนื่องเขาบอกตรงนี้มีน้ําถ้าเราหิวน้ําเราก็ต้องขุดละไม่มีใครขุดให้เรากินหรอกแต่อยากตายมาต้องขุดแต่ถ้าไม่อยากตายกระหายน้ําเราก็ต้องเรียกว่า ขุดลงไปรู้ว่าที่นี่มีน้ําอย่างงี้นะเสร็จแล้วขุดมันก็เจ็บมือหน่อยนึงเหนื่อยหน่อยเหงื่อตกหน่อยนึงบางทีก็เมื่อยล้วไปหมดนะแต่ก็ต้องขุดเพราะเราหวังว่ามันจะมีน้ำนะฉันไดก็ดีอุบามาว่ า, วาความรู้สึกตัวนี่ก็เหมือนกันก็ต้องทําไปเลยจนถึงสตินั่นแนหะมันจะถึงเมื่อไหร่แล้วมันก็แหวกความง่วงออกไปพุ่งตรงไปหาความรู้สึกที่ฐานกาย แแบบความเบื่อออกไปเจาะไปหาความรู้สึกตัวที่ฐานกายแวบความคิดเข้าไปมันคิดเดี๋ก็แแบบทะลุปไปหาหนาะนะความรู้สึกตัวที่ฐานกา ย, ย, ยก็เหลือแค่สัมผัสรู้สัมผัสรู้สัมผัสรู้ผลจะขุดลงเจาะลงเจาะลงเดี๋ยวมันก็ถึงเองอะ่ะบางทีมันก็โล่งโปร่งเบาบางทีก็มีความสุขเราก็ไม่ติดสุขล้วก็ทะลุไปหาความรู้สึกตัวอีก เราก็ไม่ลงก็ไปในความโล่งโปร่งเบาแล้วก็ทะลุไป ห, หาความรู้สึกตัวเองมันก็หนึ่งเดียวแค่นี้แหละเมื่อเราทําไปทําไปทํามากๆทําบ่อยๆนนิสัยนิสยัสยสันดานเก่าๆก็เปลี่ยนเนี่ยจากเคยมีวิชาของอันตพานวิชามารมันก็กลายเป็นวิชาพระขึ้นมาก็เกิดนิพพานนิพพานคือจิตที่เป็นปกติเบื้องต้นรู้สื่อๆรู้เฉยๆรู้ให้เป็นปัจจุบัน รู้ที่ฐานกายรู้ให้ต่อเนื่องมันลูกโซ่อย่างเงี้ยรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกไนะม่มีการรู้นะแล้วเข้าไปยึดเข้าไปเป็นแบบสมถะกับการรู้แล้วก็ปล่อยวางแบบวิปัสนา2ตัวนี้สมถะก็หมายถึงว่าเช่นรู้แล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันนะรู้แล้วไปยึดนะไปครอเคลีย เป็นแน่นไปปักไปผูกไปพันอยู่กับมัน น, ะนั่นแหละคือสมะถะวิปัสนาคือรู้ละผ่านรูปแบบวิจัยวิจารณ์รูปแบบวิจัยก็หมายถึงว่าเหมือนกับเราดูต้นถั่ว ง, งอกกําลังงอกออกมาจากเมล็ดอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ได้ไปเป็นต้นถั่ว ง, งอกเราดูพัฒนาการ หรือว่าวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงไปของเขาหรือว่าถ้าเป็นพยาบาลเป็นหมออย่างเงี้ยเราดูแลคนไข้เราไม่ได้ไปเป็นคนไข้ระหว่างพ่อแม่คนอื่นเราไม่ได้เป็นพ่อแม่กูกนะ่เราไม่ได้คิดยึดแบบนั้นแต่พ่อแม่เราคารู้สึกเราเป็นยังไงเวลาดูแลพ่อแม่เรา อย่างหมอหลายคนไม่กล้าผ่าตัดพ่อแม่ตัวเองลูกตัวเอง mm hmm. ไม่กล้าทำคลอดเมียตัวเอง mm hmm. แต่ว่าของชาวบ้านนี่กล้าทำให้แบบเต็มที่เลย mm hmm. เพราะว่าจิตใจมันไม่เป็นปกติ mm hmm. อย่างนี้นะหรือว่า mm hmm. คนอื่นไฟไหม้บ้านก็ไฟไหม้บ้านก็น้ำท่วม mm hmm. ธุรกิจล้มละลาย เราก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเป็นญาติของเราหรือว่าตัวเราเองนะเนี่ยแต่จะมีความรู้สึกว่าออืมันเกิดกับกูอย่างเงี้ยทาไมต้องเกิดทําไมทําไมทําไมต้องเป็นกูอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นเนี่ยมีคนตายวันนี้ที่ยาวมาเผาะถ้าเป็นพ่อแม่เราญาติเราตอนนี้เรานั่งติดไหมที่จลาเนี่ยนั่งติดไหมติดไหมถ้ารู้ข่าวว่าตอนเนี้ยแม่ตายนั่งติดได้ไหมนั่งยกมือสร้างจังหวะได้ไหมวันนี้ เชื่อว่าทุกคนคงร้อนแล้วล่ะต้องกลับบ้านแค่รู้ว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลห น, นักก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่สบายใจแต่นี้นเรารู้ว่าชาวบ้านก็ตายเรายัางเฉยเฉยอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของวิปัสสนาเราต้องเฉยได้นะกับตัวเองและผู้อื่นตัวเองและผู้อื่นเช่นนะเวลาเกิดความคิดนะความคิดมันไม่ใช่เรานะความคิดนะ่ย แต่เราเหมือนก็เออมันเป็นเร า, า, าก็แจงเราเข้าไปใ น, ในความคิดแล้วให้กระจายอย่างงี้นะนั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อยก็เหมือนกันความปวดความเมื่อยมันอยู่ที่กายแต่ถ้าหากว่าโอ๊ยไม่ไหวแย่ทำไมให้นั่งนานเหลือเกินปฏิบัติไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ยังไงอะไรอย่างนงีน้เดินไปเล่นเดินชมนกชมไม้เป็นการแบบทำไม่ได้ยังไงก็จะแสดงว่าเราเข้าไปเป็นแล้ว เป็นกูและกูเจ็บกูปวดกูเมื่อยกูชอบกูไม่ชอบเงีกูคิดปฏิบัติธรรมให้เรารู้สึกรู้สึกการเคลื่อนการไหวเนี่ยให้รู้สึกไม่ใช่ว่ากูเคลื่อนมือกูเคลื่อนไม่ใช่กูเดินมีแต่ตัวกูเต็มไปหมดเลยกูชอบปฏิบัติกูไม่ชอบปฏิบัติมีแต่กูเท่านั้นนะมีแต่ตันหามีแต่กีรลตพาทำนะท้ายสุกเป็นอุปทาน เป็นจริตเป็นนิสัยเป็นวาสนาไปเลยท้ายสุดนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับประเด็นเบื้องต้นกันนะทุกคนเลยแหละนะถ้าทําถึงนะมันก็ถึงธรรมนั่นแหละมาทําถึงสตนะิสติก็ก็นะมีอานิสงสนะ์ช่วยเหลือเราตลอดเวลาเวลาเลยกลางคืนนอนบางทีฝันมันตัดชั่วให้เลยบางทีคิดแล้วทําท่าจะโกรธหรือว่าอารมณ์มันเปลี่ยนไปมันตัดชั่วยให้เลย มันรู้เลยว่าไม่ใช่ปกติมีการเปรียบเทียบมันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาถึงตรงนี้เกิดศรัทธาทุกคนมันไม่เกี่ยวกับว่าเชื่อไม่เชื่อเพราะมันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่ทุกข์พอรู้ตัวมีปกติเกิดขึ้นมันไม่ทุกข์เลยและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคือธรรมชาติที่ทั้งหากเราไปตีความไม่ถูกไปยึดเอามาเป็นกูที่จริงมันเป็นเรื่องของอาการธรรมชาติที่มันมีอยู่ในชีวิตของเรา ถ้เรามีสติหยิบมาใช้นะดีมากๆเลยมันเป็นเรื่องที่ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ทำหน้าที่ได้ตรงแล้วก็ถูกต้องอย่างนี้นะอย่างวันนี้ส่วนใหญ่กนะ็มาทำวัดกันตรงเวลานาที่รู้หน้าที่รู้ว่าเออเวลานี้ต้องมาทำวัดแล้วต้องเตือนมาต้องแปลงฟันล่างหน้าทำหน้าที่กับตัวเองนะหลังจากที่อมน้ำลายมันบูดมาทั้งคืนนะเชื้อแบคทีรเรียเจริญเติบโตในช่องปาก เราจัดการแปลงฟันอันนี้ก็คือหน้าที่ชาวตื่นขึ้นมาลาสีอยู่ที่หน้าเราก็ล้างหน้าล้างตายตกเย็นลาสีอยู่ที่เท้าเราก็ล้างเท้าก่อนนอนอย่างนี้เราก็รู้จักเราก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องหลายคนเสียงคล้องดังก็นั่งเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะกําลังแบบวิ่งมาและปุับปรับปรับปรับปรับปรับมาไม่ทันอันนี้ก็ต้องปรับปรุงหน่อย มาก่อนเวลาดีกว่ามาตรงต่อเวลามันบรรจารู้สึกว่าสบายกว่ากันสะดวกกว่ากันแล้วก็ไม่ต้องเหมือนกับว่ารีดตัวเองนะรีบเร่ง <Bueno. S 1> เร่ ง, งร้อน <S <'s <it>. <S พวกนี้นะร้อนรนทุลนทุลายมันเป็นอาการของคนที่ขาดสตินะยามาวานฝนลงมาอะ <at> <Jana> เราวิ่ง <t> ป, <ร ực>ปรุประ <ực> ปรอะนะันนั้นมันบอกถึงอาการร้อนรนกลัว น, นะทุกทั้งนั้นแหะ แล้วก็ไม่งามเป็นผู้หญิงก็ไม่นิยมให้วิ่งกันหรอกวิ่งปรับ ป, ปรั บ, รปปรบหรือว่าจกแจ๊กจกแจ็กจกแจ๊กเนี่ยงงมันเผลออันนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวมยังไม่มากพอแล้วก็เลยมีเวลาฝึกกันวันนี้เป็นวันที่สี่ละเครึ่องทางละตั้งแต่เช้าเลยทั้งวันก็ฝึกให้เต็มที่ก็แล้วกันส่วนที่อยู่ประจําวัดจะทํำยังไงก็ทําไปเถอะไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นเรื่องของเราไปรีด ก, กันมากเข็นกันมากมันก็ไม่หมอะเท่าไหร่ เพราะว่าที่นี่หลวงพ่อต้องการให้อยู่แบบสบายสบายแต่ว่าเราไม่ใช่มาหาความสุขการกินการ น, นอนหรือว่าการอยู่ไปวันๆแล้วก็ไม่มีจิตพัฒนาเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะท้ายสุดก็คือมันจะเป็นเรื่องของสับสนวุ่นวายนะทำให้เหมือนกับว่าไม่เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นมาในวัดวาอารามเพราะว่าที่ไหนก็ตามนะมีพลังของพุทธคุณพลังของธรรมคุณและพลังของสังคุณที่นั่นจะสงบ สะอาดสว่างสงเเห่ยมมันจะเกิดขึ้นมาสงบสงเเหน่งก็จะเกิดขึ้นไหมสะอาดสว่างก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะกายใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีไตสันนคมเนี่ยก็จะเกิดสะอาดสว่างสงบเรียบร้อยขึ้นมาเหมือนกันจะไม่ทุลนทุรายจะไม่โอกเวกเว้ยวายทาอะไรก็เคารพพิธีของชุมชนต่างๆนะมันจะเกิดขึ้นมาหลวงพ่อใจก็ว่าวินัยอย่างนี้นะ วินยัยเราเกี่ยวข้องกันด้วยวินยัยใครมีหน้าที่อะไรก็ทํากันไปแต่ละคนแต่ละท่านตามหน้าที่ที่เราคิดว่าทําแล้วนะมันจะเป็นการพัฒนาจิตของเราทําให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นมาทําให้เรามีสมาธิเกิดจิตใจตั้งมั่นแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมตรงไหนก็ตามมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาจากภาวะของความรู้สึกตัวนี่แหละพอรู้รูปรู้นามรู้รร ความคิดที่มันเกิดเกิดมาชัดๆเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาชัดๆนะคิดแล้วมันเป็นกุศลอกุศลอย่างไงเราก็เลือกเป็นแล้วการเนี่ยนะเราก็เกี่ยวข้องอยู่เห น, นืนอกุศลเหนืออกุศลเหนือโลกนะเรียกว่าโลกุตระนะคนเหนือโลกนะปกติเราแบกโลกเราไม่ได้อยู่เหนือโลกสุขก็เอาทุกข์ก็เอานินทาก็รับสรรเสริญก็รับมีลาบก็รับเสื่อมาลาบก็รับเสื่อมยศก็รับมียศก็รับมีสุขมีทุกข์แบกเอาไว้นะ มันก็หนักนะตอนนี้เรามารู้สึกตัวเกิด ก, การปล่อยการวางขึ้นมาเกิดการหลุดพ้นขึ้นมาแล้ววิมุตต์หลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงเราก็เลยนี่แหละเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเคลื่อนไหวตนะขณะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าเห็นแล้วมันหายสงสัยแต่ยังสงสัยอยู่มันก็ยังไม่เห็นก็เรู้สึกตัวต่อไปอย่างน้นอยๆไม่เห็นอะไรก็เห็นความรู้สึกตัวก็แล้วกัน เห็นเรานั่งอยู่เห็นเราพูดอยู่เห็นเรายืนอยู่เห็นเราเดินอยู่เห็นทุกๆขณะเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับตามทั้งเราผลิตขึ้นมานะเช่นการเคลื่อนการหไหวยเนี่ยเราผลิตขึ้นมาไอตัวนี้มันจะพาไปพ้นทุกนะที่เราผลิตขึ้นมาเจตนากระทำํำกันมามีความพอใจมีความขยันลงไปตั้งมั่นใส่ใจลงไปแล้วก็ลองสังเกตดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่างงี้ยนะ อีอันหนึ่งที่มันผลิตขึ้นมาโรงงานผลิตความทุกข์มันเป็นโรงงานอลไละ่ะผลิตความทุกข์เกิดสมมุติขึ้นมามากมายนเลยดูดีๆคือตัวคิดนั่นเองถ้าคิดเป็นไม่เป็นทุกข์นะเคล็ดลับของความพ้นทุกข์คือคิดให้เป็นคิดแบบว่าเออคุณค่าแท้เป็นยังไงคุณค่าเทียมเป็นยังไงมันมีคุณค่าแท้คุณค่าเทียมอยู่มันจริงยังไงมาหลอกยังไงในเรื่องเรื่องเดียวกันน่ย คิดแบบปลุกเราคุณธรรมจะดีจะไร้คิดแบบปลุกเราคุณธรรมคิดเป็นไหมเรื่องนี้มันจะดีมันจะไร้ก็คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมคนจะชั่วขนาดไหนก็อยากเป็นคนดีันยัางข้ามนั่นแหละเราต้องให้โอกาสกาันให้อภัยกันจึงมองทุกคนแบบเป็นมิตรทั้งหมดไม่มีศัตรูนะอย่างเงี้ยเพราะทุกคนเขาอยากดีทุกคนนี่ยก็เรียกว่าปลุกเร้าคุณธรรมเหมันก็บเขาไม่ค่อยดีนะก็ทำํำผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไร อค่อยๆนะปรับปรุงแก้ไขไปอะไรเนงะี้ยแต่มองอย่างนี้นะโอ้จเจริญรุ่งเรืองเลยหรือว่ามองแบบสามัญลักษณะเอยมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ก็เป็นอย่างที่เราเคยเป็นนี่แหละะเข้ากับเราก็เหมือนกันนั่นแหละก็เรียกว่ามองเห็นคนเป็นคนเราก็คนเหมือนกันนะมองเห็นคนมีธรรมเราก็มีธรรมมาเหมือนกันอย่างเดียวนะถ้ามองเห็นคนไม่ใช่คนเราก็ไม่ใช่คนเหมือนกัน ถ้มองเห็นคนไม่มีธรรมะเราก็ไม่มีธรรมะเหมือนกันเราเป็นยังไงเราก็มองออไปแล้วเห็นอย่างนั้นแหะแต่จริงๆก็คือตัวเราแหละมันสะท้อนมันสะท้อนอย่างนั้ น, นต่อมาก็คือมองแบบสาวหาเหตุวิธีคิดแบบสาวหาเหตุเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ใช่ไหมพะมีสิ่งนี้ผลอย่างนี้เห็นคืออะไรสาวแปกระบวนการสืบสวนนะเพราะนั้นจะสรุปอะไรต้องหาข้อเท็จจริง หาข้อเท็จจริงมันจะได้ข้อสรุปอันนี้นะเป็นกระบวนการของโยนิโสโอมันทการหรือว่าท้ายสุดก็คือประชุมระดมสมองลงไปมันแก้ปัญหาไม่ได้มันไม่ได้ข้อสรุปเพะนั้นประชุมระดมสมองลงไปจะมีการปกครองแบบราชาธิปไตยพิจารณาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยแต่เดี๋ยวนี้นเป็นเรื่องของประชาชนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบแบบเต็มใบแบบ ต้นฉบับเขาอังกฤษอย่างเงี้ยแต่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆก็ตีกันเจอหน้ากันก็ถามว่าสีอะไรอยู่สีอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกพูดกันแล้วละใครพูดทั้งถามว่าสีอะไรก็แสดงว่าเป็นคนที่ได้พัฒนามากๆตามหาสีอยู่อา้าวถามได้เหมือนกันถ้าถามว่าสีอะไรให้ต่อไปเลยสีมักคาสีมักคาสามักคี เราอยู่สีมะคามีความสามัคคีกันนะหรือว่าเรามีสีเลสีเลคือเสรีสีเลสุกติงยันติสีเลนโปกสัมาทาสีเลนี่พรติยันติตัตมาสีลาวิโสทะเยสีนํำสุกมาให้สีนํำโปกระสับมาให้สีอะไรสีเลถ้าใครมีสีเลก็เท่ากับสันติสุขสันติภาพก็เกิดขึ้นมาต่อมาคือเราต้อง มีความรู้สึกตัวเพราะว่าเคล็ดลับของความพ้นทุกข์ที่ดีที่สุดนก็คือความรู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวมันออกจากความคิดเออมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น น, ะน่ะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรเราก็รู้ตัวรักษากายวาจาใจของเราได้อยู่เรามีความสุขมีความปกติสุขของเราอยู่อย่างเงี้ยเรารักษาตัวเราเองได้รักษาใจเราเองได้จะอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ทุกข์หรอกอะไรประเภทนี้เพราะนั้นะ ลงนรกมันก็ไม่ได้ทุกเพราะว่าลงนรกมันขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้ติดสุขก็ขึ้นสวรรค์นะมันไปท่องนรกเอาเรื่องนรกไปเล่าให้เทวดาฟังมันไปขึ้นสวรรค์มไม่ได้หลงสุกติดสุขมันก็ เ, เรื่องความสุขไปเล่าให้นะพวกสัตว์นรกวัางก็เรียกว่าภาพมาลายท่องโลกไปไหนก็ไม่อาลัยนะพร้อมที่จะเหมือนนกเลยมีปีกสองปีกท่องโลกกว้างนะอิสระภาพ ัการวิวธรรมนำไปสู่อิจฉาผ้าของชีวิตเราไม่ได้ไปผูกมัด ร, รัดตึงด้วยการเรียนด้วยการงานผูกมัด ร, รัดตึงด้วยลูกด้วยหลานผูกมัดมัด ร, รัดตึงด้วยทรัพสมบัติทรัพย์สิงสิ่งงคานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนตายเดี๋ยวเราไปดูกันก็ผูกไว้เรียบร้อยแล้วล่ะใส่สินปลอที่หนึ่งผูกที่มือปลอที่สองผูกโยมีหาวคอปลอที่สามผูกที่ขามันบอกถึงอะไร เดี๋ยวค่อยดูนะวันนี้ก็หามมาอย่างน้อยๆก็สี่คนนะสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปมันเป็นปิศนาธรรมนะมันคืออะไรสี่คนหามก็คือถ้าสีถัดน้ำทาดไฟถาดดินทัดลมมันหามวา่เดี๋ยวต้องไปเผาทิ้งนะ่ะทั้งหมดนะเอาไฟไปเผาสี่คนหาม ธาตุน้าธาตุไฟธาตุดินธาตุลมสามคนแห่คือพระไตรลักษณ์ไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันแห่ไว้ที่มันมีชีวิตอยู่ได้เพราะมันมีลักษณะของประชุมแต่พอดีทั้งกายและใจรวมธรรมนามธรรมแต่ตอนนี้มันแยกกันแล้วใจแปรทางหนึ่งกายอยู่อีกทางหนึ่งคนนั่งแค่คือจิตจิตมันนั่งอยู่กับกายแต่ตอนนี้จิตมันออกจากร่างไปแล้วสองคนพาไปคือบุญกับบาปมันพาไป ไม่บูญพาไปก็บาปแล้วไม่ตกนรกก็ขึ้นสวรรค์ละงานเนีดูตรงจิตสุดท้ายมันคิดเรื่องอะไรมันก็พาไปไอจิตกรรมที่ทํามาบางคนร้องเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนเป็ดเหมือนไก่ข้าววัวข้าวควายมันก็ร้องแบบนั้นและทําอะไรมาก็ทําแบบนั้นนะเจ้าหย่อยตายมันยังขโมยอยู่เลยมันชอบขโมยของวัดเสร็จแล้วมันก็ตายมือยังไขยังควายอยู่ มันนี้ไปมันขโมยของคนในวัดนะแล้วก็ลงไปไปโดนรถชนเข้าขึ้นมามันก็นอนแล้วเสร็จแล้วมันก็ยังขโมยอยู่มันก็มันคงเป็นขี้ขโมยตลอดไปเพราะมันยังขโมยกันอนะ่ะจิตสุดท้ายอันนี้ผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ผู้ใหญ่นะเขาสังเกตอยู่บันอยู่ติด ต, ตกันแล้วก็มาเล่าให้อาตามาฟังมีศพเจ้าหยอยศพหนึ่งคนหัวเลาะทั้งหมู่บ้านแล้วก็ศพเจ้าสาอีกศพหนึ่งคนหัวลอกทั้งหมู่บ้าน แผดดินมันสูงขึ้นเป็นคนที่ไปไหนใครก็กลัวกันครั้นี้เราก็เลยนี่แหละนะมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อหเห็นความจริงความผูกพันของเราทั้งหลายนะใสยศีลผูกแขนผูกคอผูกขาหมายถึงว่ารักแม่รักพ่อน่ปอผูกแขนรักแม่รักพ่อเนี่ยห่วงมันปอผูกแขนรักลูกน้นห่วงผูกคอ รักลูกคนม่ลูกเนะ่มันห่วงผูกคอห่วงอยู่นั่นแนหะแม่พ่อมปอผูกแขนห่วงอยู่นั่นแนหะสมบัติแก้วแหวนมันแว่นผูกขาห่วงอยู่นั่นแนะท้ายสุดตายไม่ได้ อ, อะไรไปเลยไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยไฟมะเผาก็เฉยคนเอาน้ำมาลดหน้าน้ำมะพผ้าก็เฉยเอาน้ำมันมาลาดก็เฉยจุดไฟใส่ก็เฉยแต่ตอนนี้ทาไมมันเฉยไม่ได้ เพราะจิตของเรานี่เองที่มันคิดปรุงแต่งมากมายแล้วกัมันเฉยไม่ได้ปวดก็โอวยบน่นะนะเพราะฉนั้นเรามาเรียนรู้ของจริงกันเรามีกายก็ต้องรู้จักกายมีจิตมีใจก็ต้องรู้จักมันนะกายมันคือก้อนทุกข์เร็วทุกขงังใครมีร่างกายไม่ทุกข์ไม่มีหรอกมันเป็นคุกขังเราอยู่ตลอดเวลาาต้องเกี่ยวข้องให้ถูกต้องอย่างงี้นนะก็ต้องรู้จักมันมันคืออะไรมันน่ามันบอกตาฟางมานไปเดือด้ทุกขม์มาหรอก โอ้ยเออไม่ได้ทุกข์กับมันหรอกพูดอยู่แนมันก็หมดพลังก็ไม่ได้ทุกข์กับมันหรอกเพราะเห็นว่าทําจิตกุศลอยู่บําเพ็ญกุศลอยู่การให้ทำมาเป็นทานเป็นบุญอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เบื่อหรอกในเรื่องแบบนี้มันพร้อมที่จะให้อย่างเงี้ยมันมีความสุขแบบนี้อ่ต่อมาก็คือลัอกษณะของจิตใจเราเนี่ย ที่มันคิดนึกปรุงแต่งอาการต่า ง, ๆ, นะทงออาาๆที่แสดงออกมาเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่แสดงออกมาถ้าเรารู้จักมันอ่ะวั น, นั้นโอ้โหมันบอกถึงทิศทางที่ทําให้เกิดปัญญามากมายแล้วก็เมื่อเรามีปัญญากํา็มาปัญหาจะเกิดได้ยังไงไม่มีหรอกมันไม่มีใครสร้างปัญหาให้กับเราเนาะเราอยากตัวเองสร้างให้ตัวเองตลอดเว ล, ลาเลยให้เขาเกลียดเราลงไปแต่เราไม่เกลียดเขานะให้เขาไม่รักเราลงไปแต่เราจะรักเขาตรงเนี้ ใคาก็ทำกับเราแต่เราจะไม่ทํากับเขาเราจะรักษาถึงที่สุดเรียกว่าให้อภัยโอโหสิกรรมมีเมตตาเนะนั้นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดนะอาจารยก็พูดให้ฟังตำหรับเช้านีนะ้จะได้ตั้งใจมาทำกันสำหรับนะักศึกษาวิทยาพยาบาลโดยเฉพาะนะส่วนที่อยู่เ ก, าเกา่าๆก็ตั้งใจต่งละลานะก็ขอให้ความปฏิบัติต ด, ดีของเราทั้งหลายนั้นนะก่อนตายก็ขอให้ได้พบ กับพานิพานมีแต่ความสุขเกษมสารโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนท่านเทิน